เมื่อเกิดเสียงลือกันหนาหูว่ามักผลเป็นของล้าสมัยรากของพระาศาสนาก็จะค่อยๆถูกถอนวันหนึ่งลำต้นทั้งหมดก็ไม่อาจยืนอยู่ได้ท่านบอกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจแกนสารของาศาสนาก็ดีแล้วคนของาศาสนาอื่นเขาไม่ฝากแกนไว้ในมือนักบวชพวกเดียวแต่ฝากไว้กับชาวบ้านธรรมดาด้วย ศา ส, สนาถึงไม่ถูกทำลายง่ายสาระสำคัญสูงสุดในศาสนาก็ไม่ถูกลืมเร็วถ้าชักชวนคารวะด้วยกันมาเข้าใจได้อย่างนี้มากๆก็จะดี